เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเทลาไรแต่รมประพุติยานกำลังนำเสนอข้อที่พระพุทธเจ้าทรงคิดพินิจพิจารณาและประพฤติธปฏิบัติเป็นการตรวจสอบจากสภาพประไทยที่บรรลุฌานมาแล้วเราจะเห็น้าการของข้อที่ทรงแสดง ไว้ว่าสมาธิงพิกเวภาเวทะสมัโทยโยยถาปุตตังปชานาติด้กยความพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทําสมาธิบางเกิดขึ้นเพราะคนที่มีจิตใจเป็นสมาธินั้นจะรู้เห็ น, นาความเป็นจริงในชัดเจนนะครตอนนี้ยังไม่ตัดสูญยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วทุกครั้งที่รับสั่งเล่าคือจะขึ้นข้อความตรงนี้ก่อนเพื่อรู้ว่าตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่ดตัดสูญแต่ว่าถูกต้อง ถูกต้องหมดตรงกับที่สัสรุปต่อไปก็เป็นวันก่อนเนี่ยก็ที่จริงก็ปจัจเจบิดโดกเล่มเดียวกันนะนะไอ้ไม่ใช่คนนั้นเล่มกันกขานี่เป็นจัตตสูตรภารวัคแล้วก็สังยุตินิกายเหมือนกันก็รับสั่งล่าว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสบายงหงาแล้วซึ่งรสอร่อยของรูป เราได้พบรสอร่อยของรูปนั้นแล้วรสอร่อยของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเรามีประมาณเท่านั้นเราได้เที่ยวแสวงหาได้พบโทษของรูปเราได้พบโทษของรูปนั้นแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าไรเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราได้เที่ยวแสวงหาแล้วซึ่งายเครื่องออกจากรูปเราได้พบอุบายเครื่องออกจากรูปนั้นแล้ว บ่าเครื่องออกแจกรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นข้อความตัวนี้ก็เหมือนกันอีกแต่ว่าเป็นการขยายข้อความที่กว้างขึ้นเพื่อมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยสัมผัสมาเพราะในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยนะในแง่ของสังสารวัฏแล้วไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเป็น คนทั้งหลายในโลกนี้เคยเกี่ยวข้องเคยพบปะเคยรู้จักกันมาแต่ว่าในภพชาติไหนก็ตามแต่ว่าเป็นมิตรเป็นศัตรตูเฉยๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะบางครั้งก็ใกล้จิตบางครั้งก็เฉยๆบางครั้งก็เป็นกกศัตรูกัดเพราะในสิ่งเหล่านี้ในสังสารวัฏยาวนาเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็สัมผัสหมดแ ไม่ว่าจะเป็นรสอร่อยของขันห้าหรือว่าโทษของขันห้าหรือใบเรื่องสลัดออกจากขันห้านี่แล้วก็พวกนี้ไปจนถึงต่อไปอาจจะพูดถึงธาตุสี่อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกก็จะเหมือนกันแล้วแต่จะยกเรื่องอะไรขึ้นมาคืออย่าลืมนะครับเป็นการเล่าถึงความคิดวนัน ก็มองไปเรื่อยมองที่อายตนะบ้างมองที่ขันห้าบ้างมองคือหน่วยย่อยหน่วยใหญ่เราลองสังเกตว่าขัานห้านั้นเป็นเป็นหน่วยใหญ่ถ้าเทียบกับพวกอายตนะแต่ในในขณะเดียวกันพวกอายตนะพอถูกย่อยไปอกีกย่อยเป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุดแล้วจะเห็นว่ามันก็เป็นการเกาะกลุ่มของขันท่าอายตนะทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องของชีวิตขึ้นมาเมื่อมองเต็มที่จากสายตาของประหารทั้งหลาย เราก็กลายเป็นทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดำทีนี้ประการสําคัญว่ารสอร่อยของรูปเนี่ยมันคืออะไรคือบางอย่างเนี่ยอยู่ที่วัยกําลังเบ่งบานมันก็เป็นคุณของรูปใช่ไหมร่างกายเราไม่มีสุขไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียนกำมังเปริ่ง ร่างมีน้ำมีนวนอยู่ใ น, ว, นวัยหนุ่มสาววัยริ่มเดินบันเทิงมันก็เป็นคุณของรูปนะเป็นคุณของรูปอย่างหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้หรอกวันนี้คือคุณของรูปเป็นที่กําหนดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีปัญหาว่ามองจะสายไหนเราก็ต้องยอมรับพุทธิภาวะของเด็กคล้ายๆกับเด็กทารกเนี่ยเราก็ถามว่าเด็กกันเล่นฝุน่นการเล่นอะไรตุ๊ ก, กตาการเล่นไอะไรเล่นเกมโกดกันเนี่ย อันนั้นมันเป็นรถอร่อยไหมเป็นคุณของรูปของรูปวัตถุสิ่งเหล่านั้นไหมหรือคนเล่นกีฬาเล่นสนว์เกอร์เล่นกอล์ฟเล่นอะไรแต่ใดมันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคุณของของวัตถุกรรมล่านั้นเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในแง่ของโลกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้น เวลาส่งแสดงในส่งขึ้นไปอยู่โลกอุตระแล้วประไทรเนี่ยมันอยู่สูงสุดหลัพมก็แสดงความจริงที่สมบูรณ์ออกมาเปลี่ยนแต่ว่าเราซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นผู้ศึกษาแล้วเรียนนะะเป็นศาสนิกในศาสนาทำยังไงจะพยายามทำความรู้จักกับเรื่องเหล่านี้ให้มองเห็นโทษของมันซะบ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ การปนปลืรือตัวเองเกินไปหรือการไขว้คว้าปรารถนาสิ่งทั้งหลายมาปนปลืรือตัวเองยันได้ยกตัวอย่างเนี้ยว่ารถเบ้นราคาสามสิบประล้านเนี่ยนะมาอย่างนั่งนึกว่าเออแม้แตเรามีเงินขนาดนั้นเนี้ยเราอาจจะสร้างหอประชุมสมัครฝึกอบรมโยชนจัดขึ้นเป็นสำนักงานทํางานสารพัดเนะี่ยบริการทั้งข่มช่วยเหลือได้เยอะเลย แต่ว่าแน่นอนแหละถ้าไปทำอย่า ง, งานั้นมันต้องมีเงินเพราะงั้นเราก็คิดว่าเอาเงินนั่นเนี่ยตั้งไปกองทุนมนหนี้ที่ทำงานช่วยเหลือสังคมได้เยอะนะฮะเยอะช่วยคือว่าสังคมมันขาดแคลนเยอะแต่ไปกระจุกอยู่โดยไม่กระจายเนะี่ยในขณะที่พี่น้องเราเดือดร้อนโดยเดือดร้อนจริงนะฮะไม่จะเดือดร้อนเพราะขี้เกียจทํางานเพราะดื่มเหล้าเพราะเล่นการพนันคนอย่างนั้นที่จริงไม่ควรช่วยเพราะว่าช่วยไปก็ ซุเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่ก่อนก็มีญาติโยมก็มีฐานะรู้จักกันนะนะกอมีฐานะยากจนบอกว่าทุกคนก็จนเราก็จนนะนะแต่ว่าไม่ใช่คนจนเป็นอภิสิทธิ์ชนคนจนก็คือคนคนหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่ของพลเมืองในบ้านเมืองนี้แล้วอย่าไปคิดว่าบ้านเมืองต้องอาศัยเราเป็นหนี้บุญคุณเรา เราต้องคิดว่าเราเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินแผ่นดินก็อยู่ได้โดยไม่มีเรานะเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินฉั้นต้องคิดได้ไดอย่างเนี้ยเวลานี้พยังพยายามรณรงค์กับเด็กอยู่คือบางทีเด็กต่างจังหวัดเนี่แม่ลาบากนะเจะพูดจะจาอะไ ร, ะไรกับเธอเนี่ยมันกว่าจะอยู่ในระเบียบวินัยเนี่ครับเคี่ยวกันเยอะแต่ก็ถือเป็นงานทัาทายอย่างหนึ่งแล้วก็มองไปลูกเป็นหลานไปก็ อดทนเราไม่ต้องอดทนแต่ก็พยายามสร้างสานึกบางทีเราก็ถามขึ้นสี่ประโยคบ่านูคิดดูนะแล้วไม่ต้องตอบหรอกเอาไปคิดดูหรือคิดได้ออกว่าพ่อแม่เนี่ยก็แต่งงานกันแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีลูกเนี่ยเขาอยู่กันได้ไหมสองเราถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราเกิดมาได้ไหม สามถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเรามีสิบเกิดเป็นคนได้ไหมและสี่เกิดมาแล้วถ้าพ่อแม่เราไม่เลี้ยงดูเนี่ยเราจะอยู่รอดได้ไหมแต่ว่าประเด็นตรงนี้ไม่ถามเพราะว่าคนบมื่ก่นเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายก็มีนะคือไม่ได้เลี้ยงดูแล้วก็ก็อยู่รอดได้เพราะเราจะถามแค่สามคำสามประโยคด้วยกันเพื่อคนได้คิดนะนี่ก็หมายความว่า ให้เข้าใจชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นระดับของศีลธรรมจัร ญ, ญาไม่ได้พูดเรื่องระดับมรรคผลนิพพานพูดระดับศีลธรรมจรญญาแต่ว่าวัยชีวิตที่เบี่ยงบานก็ถือว่าเป็นรสอร่อยเป็นเป็นคุณนะฮะเป็นกรรมคุณเป็นคุณของกรรมที่จริงก็เราบไปว่าเป็นคุณของกามจะดีกว่าเพราะมันอีกด้านหนึ่งมันเรียกว่าโทษนะทีนี้โทษของของของขันห้าเนี่ย คือตกอยู่ในกฎของไจรักษอย่างที่บอกไว้ในบาลีตอนทำวัดเช้าเนี่ยรูปังนิจจังเวทนานิจจสัญญานิจจสังขารานิจจาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านรวบรวมมาเรียบเรียงไว้ซึงก็มีอยู่ในพระสูตรนั่นแหละแต่ประการที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแนวตรงเนี้ยคือมองให้เห็นตามกฎไจรักอย่าลืมเรื่องกฎไตรักษนะะ กฎใจรักเป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มันครอบคลุมไว้ทั้งหมดโดยเฉพาะอนัตตาในคลุมหมดทั้งสังขารและพิสังขารแต่ว่านิจังทุกขังคลุมได้เฉพาะสังขานะคลุมพิสังขานไม่ถึงในคลุมนี้ผ่านไม่ถึงธามาเหล่านี้ท่านแสดงเป็นลักษณะในที่นี้ก็อยากจะให้กำหนดไว้แค่อย่างละสาม อย่างละสี่นะอย่างละสี่วันก่อนได้พูดถึงอนิจจตาไว้ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งเนี่ยอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงนะคคือหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราจะเห็นว่าทียิบมากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทียิบมากแล้วก็การดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่เป็นขณนะขณะขณะต่อก็ไปเป็นแถวถ้าเราดูง่ายๆนะครับ มันก็เหมือนกับอะไรล่ะเมือนกระรูขีดเส้นเอาช็อกมาลากบนกระดานเนี่ยเรวดูเป็นเส้นแต่ถ้าเราเอาแว่นขยายไปส่องดูไม่มีเส้นเลยนะมันเป็นวางห่างๆๆกันดูเพียงแต่ว่าตาเราไม่สามารถจะแยกได้ขนาดนั้นไม่มีติดเลยเมื่อก็ฟล์มภาพยนตร์เนี่ยคิล์มภาพยนตร์นั้นอิรยาบถ ท, ทั้งหลายเนี่ยมันไม่รู้สักกี่ร้อยอิรยาบถ เช่นสมมุติว่ายกมือไหว้ทีหนึ่งภาพมันเคลื่อนไหวเป็นระยะกี่ภาพแล้วมั น, นแสดงอาการของสิ่งทั้งหลายที่มันไม่ได้อยู่นิ่งมันมีการเลื่อนไหลยอยู่ตลอดแล้วก็ดำรงอยู่ทําการความเปลี่ย น, ปยนแปงแลงเรียกแปรปลวนอยู่ทุกขณะแล้วตรงกันข้ามกับหลักที่เราเรียกว่าเที่ยง ทีนี้ในทุกตาคือความเป็นทุกข์เนี่ยท่านกาหนดว่าสิ่งหลายท่านเกิดขึ้นมันจากเหตุปัจจัยเป็นภายในก็มีภายนอกนอก็มีรูปธรรมก็มีนมามธรรมก็มีนะฮะและในขณะเดียวกันก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เช่นเกิดมาถึงก็เลื่อนไหลไปสู่ความเจริญเติบโตละหรือว่าก็ก็เราเองก็หลายอยู่ทุกวัน น, นะนะคือยังนึกเรื่องบางเรื่องเนี่ย มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเวลาของชีวิตที่มันหายไปทีหนึ่งเยอะเลยโดยเฉพาะไปอยู่กับกินเนี่ยอย่างนึกถึงพระเราเนี่ยนึกนึกสงสารสงสารตัวเองสงสารพระเลยเพียงคนบนไปสวดมนต์ชั้นเพดเนี่ยนะสี่ชั่วโมงเลยนะไปกินข้าวมื้อเดียวเองอะแต่เวลาหายไปสี่ชั่วโมงแก่รวดไปสี่ชั่วโมงเลย ก็จะกินข้าวเป็นมือเดียวแต่จริงกินข้าวเนี่ยมันสักสี่สิบนาทีก็เยอะแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ปล่อยเวลาไปทั้งสี่ชั่วโมงเพื่อจะกินข้าวก็ตลกดีามาไม่ค่อยชอบเรื่องสํานักกรรมฐานในอย่างหนึ่งเสียเวลากินเยอะเหลือเกินเราไปเห็นนะโอ้ยเราไม่เอาหรอกเป็นชั่วชั่วโมงอยู่กันเรื่องกินเนี่ย ตั้งแต่ตื่นมาในยุ่งในแต่เรื่องกินนั่นเองกว่าจะกินเสร็จกโ็โดนอนเกือบเที่ยงไปเลยเกือบเกือบห้าโมงไปเลยเวลาไปอยู่กับเรื่องนั้นมากเกินไปมันควรจะอยู่กับสิ่งที่มีสาระประโยชน์มากกว่านั้นแล้วประการต่อไปก็คือมีการแผดเผาด้วยปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างแล้วก็มีความ ร, าร้อน แล้วไม่มีสุขจริงหรอกมันเป็นทุกข์ที่ลดเท่านั้นเองชีวิตเราไม่ได้สุขจริงนะเราสังเกตว่าเรากินข้าวอิ่มเดี๋ยวกินหิวอีกละนั่งพักไปหน่อยหนึ่งเอาปวดท้องปวดอัสสาวะปว ด, ปว ด, ปว ด, ปวดอุจจาระคือโรคอะไรที่มันเสียดแทงร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์สิบข้อนะมันอยู่กับเราตลอดแล้วมันไม่เคยไม่ทําหน้าที่เลยไม่หลับเลยนะจะทําที่อย่งแกตลอดเลยหนาว ร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายสิบเรื่องเนี่ยเป็นทุกข์ที่อยู่กับเราสิบเรื่องเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมันทํางานหน้าที่ของมันเราหลับมันก็ทำหนางานหน้าที่ของมันนั่นคืออาการแผดเผาแล้วก็สร้างความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ไปยึดมัน่นหรือมัน่นมันทั้งๆ ท, ที่มันเป็นอนัตตา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ว่ารับสั่งไว้ก่อนจากสวรรคตทนี่ประยุหนึ่งไปเยอะไปรอบมากเลยนะมันซึ้งเลยได้ยินแล้วนี่มันซึ้งมากนัดเถตังโล ก, กัสสมิงยังอุปาดยะมานังอนะวัจังอาศาัศะสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเป็นอันไม่มีเลย ยึดมั่นถือมั่นยังไงยึดมันว่าเป็นของเราก็เดือดร้อนยึดมั่นว่าเป็นเราก็เดือดร้อนยึดมันเป็นตัวเป็นตนก็เดือดร้อนวันก่อนได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งแกสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเป็นความคิดดีนะเด็กยุคยี่สิบเจ็ดการสัมาษแกบอกว่าการไม่เป็นข่าวนั้นคือโชคดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนอยู่ในข่าวเนี่ยที่จริงเดือดร้อนนะ แล้วมันก็ลําบากมากจะเดินจะเหินจะทําอะไรจะนั่งจะพูดแะไรมันมันคนก็ถ่ายภาพตลอดระยะเวลาเลยยังนึกถึงสมัยเป็นเด็กๆจอมพลพินชุนวันเน่ยหนังสือพิมพ์ก็ถ่ายภาพท่านนะส่วนมากกินอาหารทุกทีเลยตอนอ้าปากอ่ยตอนอ้าปากตักอาหารใส่ปากหนังสือพิมพ์มันก็ถ่ายภาพออกมาลงมันการแกล้งกันให้เกนะ๋ไะภาพดีๆไม่ถ่ายไปถ่ายตอนกินทุกที มันต้องการจะสะท้อนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่ให้วนะความเป็นธรรมกับเขาอะนะความเป็นหน้าตาคือหนึ่งคือหนึ่งนี่เราบังคับมันไม่ได้อย่าแก่อย่าเจ็บจะตายอย่าปวดหัวอย่าปวดท้องบังคับอะไรไม่ได้เลยบอกว่าเป็นเรื่องแปลกที่เราอยู่กันมาจนเกิดถึงตายเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเคือไม่เคยพูกแก่รู้เรื่องเลย ก็ร้องก็แล้วอ้อนวอนก็นแล้วนะห้ามปลามอะไรก็แล้วเอาไม่อยู่เลยแต่เราก็ต้องเอาใจเขาเรื่อยนะฮะดูแลเขาอย่างโอ้โอวใจมากแล้วก็ทะนุถนอมมากแต่ผลสุดท้ายเขาไม่เล่นอะไรกับเราเลยอันนั้นคือโทษของลูกแล้วก็ตรงกันข้าวอัตตาตัวตนที่พูดกัน แนวตาตัวตนนั้นเป็นแนวปรมามัดตำมันที่จริงพวกนี้ถ้าศึกษาในแนวของประวัติความคิดนะฮะไมนเป็นกระบวนการความคิดที่ย้อนไปลิบๆเลยก็คิดว่าก่อนห้าพันปีนะก่อนห้าพันปีคือก่อนยุคกัมพีประเวทยุคกัมพีประเวศเองก็ยังไม่แน่นอนมันเป็นกระบวนการของความคิดที่จะพยายามหาจุดยึดเหนี่ยวและไว้ข่มกูคนนะ ให้คมขู่คนจนกลายเป็นถ้าเราไปดูพวกศาสนาที่นับถือดินน้ำลงไฟมันก็มีลักษณะอย่างนั้นอ่ะแบบพระเจ้าเนี่แหละอธิบายกันแบบพระเจ้าเป็นอั้ตาตัวตนนิถาวรยั่งยืนไม่แปรผันสิงสถิตยอยู่ชั่วนินรันดร อ, อะไรแต่ะเนี่ยเป็นที่มาของสปปรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็ไปเข้าใจว่าอัตตาของเราเนี่ก็แยกมาจากสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านบอกอัตตาวิปักขภาวะโตมันตรงกันข้ามกับความเชื่อเหล่านั้นไม่มีหรอก แต่พอนํามาย่อยเนี่ยมันไม่มีอะไรเราอยู่ตรงไหนล่ะมันเหมือนกับพระนาคเสนคุยกับพรยามิลินเนี่ยะยามิลินท่านไปจับอวัยวะธีละส่วนถามก่อนว่าพระคุณเจ้าหรือชื่อว่านาคเษนยามิลินพระนาคเษนก็บอกว่าจเจริญพรนธรรมภาพนี่เพื่อนเรียกนาคเสน บ, บ้างสิงเกสนบ้างสุรเสน บ, บ้างหมาเสน บ, บ้าง แต่พอบวชเนี่ยเพื่อนสัพพมาจารีเรียกอัตามาภาพาว่านาคเกษพระคุณเจ้ายืนยันนะว่าชื่อนาคเกษเจริญพอนะตามายืนยันอะไรเรียกว่านาคเกษจะจับมาทีละชิ้นเลยผมหรือชื่อวนาคเกษจมูกหรือชื่อวนาคเกษตาหรือชื่อวนาคเกษอย่างนี้ก็แย่เลยมันไม่มีนาคเกษนะอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทั่านก็หาว่าพระนาคเกษโกหกหลอกลวง พูสับปรับมาอยู่กระร่องกระรอยปนากเซนนัน่นก็ไม่ว่าอะไรว่ามาบอกพิษนิเสด็จมาสู่สงไข่บริเวณด้วยอะไรบอกมาด้วยรถเอาเป็นยืนยันนะว่ามาด้วยรถก็ยืนยันอะไรชื่อว่ารถไปจับชิ้นรถมาทีละชิ้นถามเลยพยามิลินบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอา้าประชาชนนี่พูดจาอะไรกลับกรอบตลบตะแลงตะ ก, กี้นี่บอกว่ามาด้วยรถนี่จะบอกว่าไม่ใช่รถ ยามีนบอกว่าขอพระคุณเจ้าเล่นไปหยิบมาถามทีไรชิ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นรถยังไงมันต้องออกมาทั้งหมดถึงเป็นรถรน า, าเกษตก็บอกก็เหมือนกันอะตมาภาพก็ต้องออกมาทั้งหมดจึงเป็นอัตมาเนี่ยเป็นการสมมติขึ้นมาแต่ต้องออกมาทั้งหมดเพราะพอย่อยแล้วเนี่ยมันเป็นศูนย์นะฮะมันกลายเป็นอนูเป็นปรมณูไม่มีอะไรอยู่เลยอ่ะ ในร่างกายเราถ้าหากว่าสามารถมีเครื่องขยายได้เราจะเห็นมันไม่เย็ดติดอะไรกันนะมันก็โปรง่งมันก็มีอากาศเลื่อนไหลไปได้ก็ที่จริงเราก็สามารถจะดูเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆก็ได้สามารถขยายส่วนขึ้นก็จะเห็นว่ามันเป็นอนูที่มาเกาะกลุ่มกันแน่นบ้างไม่แน่นบ้างก็แล้วแต่ แล้วก็เอาก็จริงเราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงเราไม่ได้ครอบครองอะไรเลยคือตอ น, น, นมาเป็นพระราชธรรมนิเทศนิพัตมันเก่าจังอย่างนึกว่าคุงโน้นเนี่ยเรากรงแถวราชการที่สี่ที่ห้าเนแล้วเวลาก็ไม่ค่อยได้ใช้พัดกับเพื่อนเราเราปลาไปก็เจอพืน่นีอ้นีพนี่พัตผี เร้าของก็ตายไปหลายศพแล้วว่าเดี๋ยเราก็ตายด้วยคือมันก็เป็นอนุสติเตือนใจให้เห็นว่ามันไม่มีของเราจริงไม่มีของเราจริงยังชอบใจหลวงพ่อาศาสนาโสพลเอื้อนจินทัตโตวัดเทพสรินราาดารวัดคือท่านเขียนท่านเขียนทึงตัวท่านเนี่ย กุมารเอื้อนเด็กเอื้อนเด็กชายเอื้อนสามเณรเอื้อนนายเอือเเอ้อนสามเณรเอื้อนมหาเอื้อนพระเอื้อนนะว่ามาเรื่อยเลยนะเรียงเป็นแถวมาจนถึงระษาสนทโศผลแล้วท่านบอกว่านี่คือศพเป็นะต่อไปก็คือศพตายศพเป็นเนี่ยมันไหลไมาได้ตลอดที่จริงยาวนะข้อความยาวแต่ว่าเดินมาแนวนั้นอะจําจําไม่ได้หมดทุกตอน นั่นก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตที่เข้าถึงความจริงว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแต่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆทีนี้พวกเหล่านี้มันก็เมื่อหาทางเครื่องสลัดออกก็พบเครื่องสลัดออกจากรูปนั้นจะไม่ใช่จากขันห้าจากอายตนะธาตุสี่อายตนะหกภายในหกภายนอกหกทั้งหมดนะฮะเอาเอาพวกนี้รวมทั้งหมดพวกนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะ การการมองวิปัสนาเนี่ยคือมองแล้วเนี่ยต้องเห็นตามอะไรหลักเจ๊าถามอะไรเห็นนะเห็นนี่หมายความยังไงเห็นนั้นตัณหาต้องลดมานะต้องลดทิฏฐิต้องลดถ้าพวกนี้ไม่ลดก็ชื่อว่าไม่เห็นคือเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจนนะฮะคล้ายๆเราเปิดสวิตไฟเนี่ยท่านชาวโซนลองสังเกตเราเปิดสวิตไฟปับ๊บแสงสว่างเกิดปุ๊บความมืดหายปับ๊บสิ่งทั้งหลายปรากฏปุ๊บต่อกันไปแยกไม่ทันเนี่ยนะนะ แต่ที่จริงมันคนละขเพราะกระบวนการเหล่านี้ก็เหมือนกันมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเมื่อท่านพบอุบายวิธีเป็นเครื่องออกจากรูปแล้วเนี่ยความยึดถือว่าขันห้าเป็นของเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้ามันก็ไม่มีเวทนาสัญญาต่างๆมีอย่าก็ถูกมองในแนวเดียวกัน ะที่ท่านใช้บทถวดว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราะหรือว่าทรงแสดงในรัตนกาณาสูรก็ทรงใช้ข้อความอย่างเงี้โดยสรุปนะฮะว่าขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบละเอียดก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้านั้นก็สากแต่ว่าขันห้า ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อันเธอทั้งหลายปึงเห็นด้วยปัญญาเพราตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้จากการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็รู้เห็นตามความจริงแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นก็ทรงทรงจับความอะไรได้เยอะนะฮะก็เรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วได้ทำไป การตัดรู้จึงเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่สงคิดพิณิย์ิจาเมา่อก่อนว่ามันเป็นสัจธรรมแต่ว่าไม่ครบวงจรของอริยสัจนั่นเองแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือยังไม่สัมผัสผลสูงสุดคืออนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณทั้งความกันไรใต้ร่มรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแตท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี